4. ชหเตปกะถาว่าด้วยการละหนึ่งนสุตตาหารณะกระถาว่าด้วยการไม่ยกพระสูตรมาอ้างสองอเจ็ก่อสก ปุทุชนและตามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปรใช่สกละได้เด็ดขาดละได้อย่างไม่มีส่วนเหลือละได้อย่างไม่มีเยื่อใหญ่ละได้พร้อมทั้งมูลละได้พร้อมทั้งตันหาละได้พร้อมทั้งอนุยสละได้ด้วยอริยญาณละได้ด้วยอริยมรู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงละได้ทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงละได้ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปุถุชนผมการมราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปอรอ์ใช่สกข่มได้เด็ดขาดผมได้อย่างไม่มีส่วนเหลือผมได้อย่างไม่มีเยื่อใหญ่ข่มได้พร้อมทั้งโมลผมได้พร้อมทั้งตัณหาผมได้พร้อมทั้งอนุสัยผมได้ด้วยอริยญาณผมได้ด้วยอริยมรรครู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงผมได้ ทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงผมได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลละก ร, รมราคะพยายาทได้และละได้เด็ดขาดละได้ไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคามิผลจึงละได้ใช่ไหมปรใช่สกปุตรชนละกา ร, รมราคะพยายาทได้และละได้เด็ดขาด ละได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงละได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มการมราคะพยาบาทได้และข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงข่มได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพุทุชนข่มการมราคะพยาบาทได้ และขมได้เด็ดขาดผมได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงผมได้ใช่ไหมอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผุุ้ชนละปรมราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดละไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือละไม่ได้อย่างไม่มีเยื่อใหญยละไม่ได้พร้อมทั้งมูลละไม่ได้พร้อมทั้งตันหาละไม่ได้พร้อมทั้งอนุสใสละไม่ได้ด้วยอริยญาณ และไม่ได้ด้วยอริยมรรคจะรู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมก็ละไม่ได้ทาให้แจ้งอนาคามิผลก็ละไม่ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและการมาราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดจะทำให้แจ้งอนาคามิผลก็ละไม่ได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ปุถุชนข่มกามาราคะและพยาบาตได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดข่มไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทาให้แจ้งอนาคามิผลก็ข่มไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลข่มกามาราคะพยาบาทได้และข่มไม่ได้เด็ดขาดข่มไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทาไม่แจ้งอนาคามิผลก็ข่มไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกปุถุชนและกามราคะและพยาบาตได้ใช่ไหมปอรอใช่สกละได้ด้วยมักไหนปอรอด้วยมักฝ่ายรูปราวจรสกมักฝ่ายรูปราวจรนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมักฝ่ายรูปาวจรไม่นำสัตว์ออกจากวัฏฏุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน เป็นอารมณ์ของสังกิเลสนี่ใช่หรือปอรอใช่สกหากมักฝ่ายรูปาวจรไม่นำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าปุตุชนและกามราคะและพยาบาตได้ด้วยมักฝ่ายรูปาวจร สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลและการมราคะและพยาบาทได้ด้วยอนาคามิมักและมักนั้นนําสัตว์ออกจากวัตทุกข์ให้ถึงความสิ่งกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาชวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลชใช่ไหมปอรอใช่สก ปุตุชนและการมราคะและพิยาบาตได้ด้วยมักฝ่ายรูปาวจรและมักนั้นนำสัตว์ออกจากวัตถุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสออ ก, กปุตุชนและกรมราคะและพยาบาตได้ด้วยมักฝ่ายรูปาวจร และมักนั้นไม่นำสัตว์ออกจากวัฏฏุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปอรอใชัยสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลและการมราคะและพยาบาทได้ด้วยอนาคามิมักและมักนั้นไม่นําสัตว์ออกจากวัฏฏุก์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 ดำรงอยู่ในอาราตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปุทุชนผู้ปราศจากความคำหนัดในกลามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรใช่สกเจริญมรรคทั้งสามประการได้เมื่อก่อนไม่หลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเจริญมรรคทั้งสามประการได้เมื่อก่อนไม่หลังใช่ไหม ปอรอใช่สกทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามประการได้เมื่อก่อนไม่หลังใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามประการได้เมื่อก่อนไม่หลังใช่ไหมปอรอใช่สกเร่องการประชุมแห่งพัรษาสามเวทนาสามสัญญาสามเจตนาสามจิต 3, สตามศรัทธาสาวิริยะสาม สติสามสมาธิสามปัญญาสามใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปอรอใช่สกด้วยโสดาปิมัคใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยสกทาคามิมัคใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกด้วยมักไหนปอรอด้วยอนาคามิมักสกละสักกายติฐิวิจิกิจชาศิลปะปรามาได้ด้วยอนาคามิมักใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. ส, สุตตาหารณกกถาว่าด้วยการยกประสูนย์มาอ้างสองร้อยแปดอสก ปุตุชนและสักยติฐิวิจิกิจชาและศีลปะตะปรามาตได้ด้วยอนาคามีมักใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคตรัสรดาปฏิพณว่ามีเพราะละสังโยษสามประการได้มิใช่หรือปรใช่สกหากพระผู้มีพระภาคตรัสรดาปฏิผลว่ามีเพราะละสังโยษสามประการได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสักยติฐิ วิจิกิจฉาและศีลปตะปรามาตได้ด้วยอนาคามิมักสกปุตุชนและกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกและกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมักใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคตรัสกะทาคามิผลว่า มีเพราะความเบาบางแห่งกา ร, รมราคะและพยาบาทมิใช่หรือป ร, รใช่สกหากพระผู้มีประภาคตรัสกะทาพามิผลว่ามีเพราะความเบาบางแห่งกา ร, รมราคะและพยาบาทท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละกา ร, รมราคะและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมักสกปุตุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผล พร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปอรอใช่สกเราชนผู้บรรลุธรรมได้ทั้งหมดดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอท่านไม่ยอมรับว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ครูทั้งหกผู้มียศได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตเป็นผู้หมวดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงควงกามสังโยตคลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วแม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่านั้นก็เป็นผู้หมวดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงค้นการมาสังโยชตคลายการมราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ สกใช่ปอรอดังนั้นปุตุชนจึงละกามราคะและพยาบาทได้สกปุตุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายครูสุเนตนั้นเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้เป็นผู้ดํารงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมณตุปาญาตเราจึงกล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยะศีลสเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาสี่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 ได้ตรัสเวยากรณภพาเสร็จนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระโคโดมผู้มียศตรัสรู้ธรรมเหล่านี้คือศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระาศาสดาผู้มีพระจักสุทรงทำที่สุดแห่งทุกปรินิพานแล้วมีอยู่จริงมใช่หรือ อ, อรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าปุถุชนและการมราคะและพยาบาทได้ชะหะติกถาจบห้รสัพพมัีติกถา ว่าด้วยสิย่งทั้งปวงมีอย ok ู่หนึ่งว่าทยุติว่าด้วยหลักการใช่วาทะสองร้สิบสองสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรรใช่สกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรรใช่สก สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสิ่งทั้งปวงมีอยู่โดยประการทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในสภาวะรำทั้งปวงใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ประกอบกันจึงยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกแม้แต่สิ่งที่ไม่มีก็ชื่อว่ามีอยู่ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจริงทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกความเห็นอย่างนี้ว่าความเห็นที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยอ่อว่าทายุติจบสองกาลสังสันทนะ ว่าด้วยการเทียบเคียงการ283สกอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้ว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 ยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สกปัจจุบันมีอยู่ ป, ปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมอรใช่สกอดีตมีอยู่อดีตยังไม่ดับยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหม ปรไ okay? ม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรใช่สกอนาคตมีอยู่อนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกอดีตมีอยู่อดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมปรใช่สกปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอนาคตมีอยู่อนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรใช่สกปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอง้อปสิบสี่สกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกรูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผพันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วไม่ใช่หรือปรใช่สกหากรูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอดีตมีอยู่สกรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มี ยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏไม่ใช่หรือปอร์ใช่สกหากรูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอนาคตมีอยู่สกอรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไป ยังไม่สูญไปยังไม่ดับ ER สูญไปใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้ว บังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้ว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 สวกวิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วมิใช่หรือปรอใช่สกหากวิญญาณที่เป็นอดีต ด, ดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่สวกวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สก วิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏไม่ใช่หรือปรใช่สกหากวิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่สกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไป ยังไม่ดับศูนย์ไปใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตยังไม่ดับไปยังไม่ดับศูนไปใช่ไหมไปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันเกิดแล้วเปิดมีแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ วิญญาณที่เป็นอนาคตเกิแเกดแล้วปรารกฏแล้วใช่ไหมปรไม่นควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีต plan, ดับไปแล้วดับศูน์ไปแล้วใช่ไ ห, หมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมปรไม่นควรกล่าวอย่างนั้นสก วิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏใช่ไหมปอรอใช่สกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่ปรากฏใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอ ง, อสอง้อแปดสิบห้าสกเมื่อบัญญัติว่าปัจจุบันกับรูปหรือบัญญัติว่า รูปกับปัจจุบันให้มีความหมายว่าปัจจุบันรูปโดยไม่แยกปัจจุบันและรูปนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมอรอใช่สอกอรูปที่เป็นปัจจุบันเมื่อดับไปก็ละความเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมอรอใช่สอกอละความเป็นรูปไปด้วยใช่ไหม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 ไม่ละความเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรเมื่อบัญญัติว่าสีขาวกับผ้าหรือบัญญัติว่าผ้ากับสีขาวให้มีความหมายว่าผ้าสีขาวโดยไม่แยกสีขาวกับผ้านี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากัน มีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสกใช่ปรผ้าขาวเมื่อถูกย้อมย่อมละความเป็นผ้าขาวไปด้วยใช่ไหมสกใช่ปรละความเป็นผ้าไปด้วยใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรเมื่อบัญญัติว่าสีขาวกับผ้าหรือบัญญัติว่าผ้ากับสีขาวไม่มีความหมายว่าผ้าสีขาว โดยไม่แยกสีขาวและผ้านี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสอกอใช่ปอรอผ้าขาวเมื่อถูกย้อมย่อมไม่ละความเป็นผ้าไปด้วยใช่ไหมสอกอใช่ปอรอไม่ละความเป็นผ้าขาวใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองปดหก สกรูปไม่ละความเป็นรูปใช่ไหมป ร, รใช่สกรูปเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปละความเป็นรูปได้เพราะเหตุนั้นรูปจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรใช่ สกหากรูปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปไม่ละความเป็นรูปสกนิพานไม่ละความเป็นนิพานเพราะเหตุนั้นนิพานจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอรอใช่สกูรูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้น รูปจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้นรูปจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรใช่สกนิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้น นิพพานจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอดีมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปอรใช่สกออนาคตมีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอดีมีอยู่ อ, อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อนาคตามีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สก อ, อดี ต, ดตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สอก อ, อดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สอก อ, อดีตเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตสกนิพานมีอยู่ นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรใช่สกอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตเพราะเหตุนั้นอดีตจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตเพราะเหตุนั้นอดีตจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมป ร, ร, รใช่สกนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสองสิบเจ็กรูปที่เป <thumb> ็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เ <où> ป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหม ปรใช่สกรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นป Leah, tekrar, Joan, ัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอด yeah. ีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรไม่ควรกล่ e types, าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สก รูปที่เป็นอดีตเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่ม anyway. ีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากรูปที่เป็นอดีตไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอดีตมีอยู่ รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตสกนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานนิพพานจึงเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรใช่สกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตรูปที่เป็นอดีตจึงเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตรูปที่เป็นอดีตจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรใช่สกนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานนิพพานจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปอร์ใช่สกวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก วิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สก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 วิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีต <navigation> ใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เป็นอดีตเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรใช่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 ปอรอใช่สกนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานนิพพานจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวจะนะโสธนาว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำสองปสิบสกอดีตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่ใช่ไหม ปอรอใช่สอกอ ى, หากอดีตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่คำว่าอดีตมีอยู่ก็ผิดก็หรือว่าหากสภาวะที่มีอยู่ไม่ใช่อดีตคำว่าสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตอก็ผิดสกอนาคตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอกอ ى, หากอนาคตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่คำว่าอนาคตมีอยู่ก็ผิด ก็หรือว่าหากสภาวะที่มีอยู่ไม่ใช่อนาคตคําว่าสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็ผิดสกสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกอนาคตกับปัจจุบันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอนาคตกับปัจจุบันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่ สกสภาวะที <muitas> ่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สกสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นอนาคตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบันแล้วจึงไม่เป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกปัจจุบันกับอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัจจุบันกับอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สก สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตเป็นอดีตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตเป็นอดีตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันแล้วจึงไม่เป็นอดีตไม่เป็นอดีตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตใช่ไหมปรใช่สกอนาคตปัจจุบันและอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอนาคตปัจจุบันและอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรใช่สก สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคต barbecue, แล้วจึงเป็นปัจจุบันและอดีตเป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันและอดีตเป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สกสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นอนาคตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันและอดีต ไม่เป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงไม่เป็นอนาคตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น